พอฟังเรื่องแบบนี้ฟังรู้สึกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแผลในชีวิตของเหล่านักวิทยาศาสตร์สตรีเหล่านี้หรือเปล่าที่เจอเรื่องที่ไม่เท่าเทียมแต่ฟังฟังว่ามองอีกทางหนึ่งนะฟังว่ามันเป็นแผลของบรรดาคณะกรรมการและรางวัลออที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่างหากที่ที่มองข้ามเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศไปอะ่ะเอออันนี้เห็นด้วย เ, ออเห็นด้วย เ, ออเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังพลิวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เลยเอ อ, เ อ, อทาไมเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอย่างเนี้ You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. d in the world, l u Physics Podcast, w i s s e n s a n d nerd, that will take you to the world of physics from r o n ยุค น, นี้นะคะการเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพหญิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเราแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปไปดูอีกซีกโลกนึงก็ยังมีนักเคลื่อนไหวที่ต้องเรียกร้องเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงอยู่เลยนะคะหรือว่าจะไปถึงเรื่องของความเท่าเทียมในการทํางานต่างๆหรือแม้แต่ในประเทศไทยไม่ต้องผู้หญิงก็ได้แบบ LGBTQ+ เองเนี่ยก็ยังต้องเรียกร้องกันอยู่เลยนะคะความหมายก็คือ เรื่องของสิทธิเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศและเพศก็มีบทบาทโดยตรงในสังคมของเราค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเรามาดูในแวดวงวิทยาศาสตร์กันบ้างเนี่ยตัวละครไอคอนิกทางวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินชื่อไม่ว่าจะกาลิเลโอหรือว่าไอสตายอย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นผู้ชายกันแทบทั้งหมดเลยนะคะเรื่องราวของผู้หญิงในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหน มาคุยกันในใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัชชโรจิตพนาค่ะและผมอาจว่าค์ป่องแปงจันทมาศครับโอเคค่ะที่ป่องแปงวันนี้เรามาคุยเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงกันเนาะที่น้องฟางพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยนักฟิสิกส์นักวิทยาศาส ต, ต่างๆเนี่ยไอคอนิกต่างๆเป็นผู้ชายซะเยอะเลยเนี่ยอเอออันนี้เรื่องจริงเพราะว่าในยุค ก, ก่อนนะครับ คนเนี่ยมีความเชื่อกันในหลายสังคมเลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เท่าผู้ชายนะจนกระทั่ง เ, เรื่องสิทธิสตรีถูกเรียกร้องมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาอย่างเป็นระบบและประวัติศาสตร์ก็บอกเราจนในที่สุดแล้วทุกวันนี้เรารู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เก่งแพ้ผู้ชายหรือมันไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวแล้วที่สําคัญเนี่ยในตอนที่เราจะทํารายการนี้นะเบื้องหลังเนี่ยเราคุยกันเยอะมากว่าเฮ้ ถ้าต้องพูดถึงนักวิทยาศาสตร์สตรีเนี่ย<ฆ>ใครดีโอ้โหคือเอาจริงๆปวดหัวนะเพราะว่าพอมาไล่เรียงตามประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเก่งๆเยอะมากมไม่ว่าจะเป็นคุณเอดาเลฟเลสคนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกและเป็นผู้หญิง<ฆ>แล้วชีวิตเขาก็น่าสนใจเพราะว่าตอนเขียนจดหมายหาคุณชาลส์แบปเบซึ่งเป็นผู้สร้างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะ เขาไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนะ อ, อะไรแบบนี้คือคือคือคุณชาร์ลส์แบคเกอไม่รู้หรือเรื่องของคุณเฮนรียตต์เลวิกซึ่งคนนี้ศึกษาดาวแปรแสงจนนํามาซึ่งการวัดระยะทางในเอก ภ, ภพได้อย่างแม่นยํา ม, มากนะฮะในยุคนั้นแล้วก็หรือจะคุณลิซไมสเนอร์คุณลิซไมสเนอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ผู้หญิงที่บุกเบิกการศึกษาปฏิกริยาเนื้อเคลียร์ฟิชชันซึ่งนํามาซึ่งปฏิกริยาในโรงไฟฟ้าหรือว่าปฏิกริยาที่ใช้ในระเบิดปรมาณูอ ย, อย่างเงี้ยค่ะ หรือแม้แต่คุณซิซิเลียเพนซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ผู้หญิงที่เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าองค์ประกอบในดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยหลักๆแล้วเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นคือเราทํากันบ้านกันเครียดใช่แล้วสุดท้ายเราก็คัดเลือกมาสุดท้ายครับเน้นจะเอาคนเดียวก็อไม่ได้สองคนก็น้อยไปสุดท้ายเลือกมา3คนที่เป็นสุดยอดนักวิทย า, าศาสตร์สตรีซึ่ง คนอื่นที่ไม่ใช่3มคนนี้ไม่ใช่ไม่ดีน ะ, ะแต่สามคนเนี้เราคัดกันมาละ ว, ว่าโหหนึ่งคือส่งผลกระทบยิ่งใหญ่แล้วก็มีแง่มุมนของชีวิตในงานวิจัยที่น่าสนใจนะและเรามาพูดถึงคนแรกเลยไหมได้เลยคนแรกเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมหาสตรีแห่งโลกวิทยาศาสตร์มารีคูรีเคยได้ยินไหมฮะ คยไดินชื่อค่ะพอคิดถึงอ๋อเป็นแบบภาพยนตร์ภาพยนตร์จำลองได้ยินชื่อของมาริคูรีแล้วเราต้องนึกถึงแวดวงแนวเคมีไหมคะคือมาริคูรีเนี่ยไม่ใช่แค่เคมีนะเขาเป็นอัจฉริยะทั้งฟิสิกส์และเคมีเลยคือเธอเป็นมนุษย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งอจากสาขาฟิสิกส์และเคมีนะโอ้ควบเลยควบเลย ถือว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็ในยุคที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยผู้หญิงก็ถูกกีดกันจากการศึกษาพอสมควรเลยนะแล้วก็แต่ในแง่ของผลงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นจนแบบมันทะลุทุกอย่างออกมาได้ในการประชุมของนักฟิสิกส์ผู้ชายต่างๆไปดูรูปนะฮะเขาเรียกการประชุมโซเวเธอก็นั่งอยู่เป็นผู้หญิงคนเดียวในรูปอะ่ะแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากแล้วก็ ผลงานของเธอเนี่ยนับว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์ใบนี้อย่างมากมแต่ผมจะย้อนกลับไปหน่อยนึงแล้วกันในใ น, ในตอนที่มาร i คูรีเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนโปลแลนด์นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการศึกษาคือมันการถูกกีดกันอะอผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยมีการเรียนอะไรพวกนี้มั น, ม น, มนยากนะครับเธอก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มาเรียนด้านวิทยศาศาสตร์เนาะทีนี้ ในการย้ายประเทศเนี่ยมันมันไม่ได้สบายนะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยหรูหราปัญหาใหญ่มากคื อ, อ, อยุโรปอย่างปารีสอย่างเงี้ยช่วงที่หนาวมันหนาวอะ่ะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยจะพอก็ต้องเอาเสื้อผ้าที่มีใส่ให้เยอะที่สุดคือใส่ของหลายวันมาใส่ในครั้งเดียว อ, อย่างเงี้ยลำบากแต่เธอเป็นคนโฟกัสอย่างแรงจนลืมกินข้าวเนี่ยบ่อยมากเหมือนผมจะเคยอ่านเจอว่ามาริคูรีเนี่ยบางทีก็มองว่าก็ดีละ ลืมกินก็ดีเหมือนกันประหยัดดีอย่างที่บอกพออยู่อย่างยากลำบากก็จริงแต่ว่าเธอก็มาพบกับบุคคลที่ส่งผลต่อชีวิตเธอไปตลอดการนั่นก็คือคุณปีแอร์คูรีมเป็นสามีใช่ไหมคะซึ่งต่อมาได้ได้แต่งงานกันแล้วก็เป็นคู่สามีพันยาะนะครับสองคนนี้เลยกลายเป็นคู่พาร์ทเนอร์ในการทำการทดลองที่ยิ่งใหญ่มากของโลกในยุคนั้นเขาช่วยกันทดลองเรื่องอะไรคะ ในยุคนั้นเนี่ยมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อเฮนรี่แบคเคอรเรลเคยได้ยินไหมไม่ค่อยคุ้นค่ ะ, ะคนนี้เขาไปค้นพบว่าสารยูเรเนียมเนี่ยนะฮะมันแผ่รังสีออกมาได้คือการแผ่รังสีของธาตุหรืออะไรพวกนี้มันเป็นของที่มนุษย์เราไม่ค่อยได้เห็นนะไม่งั้นเรานั่งนั่งอยู่โต๊ะก็ต้องแผ่รังสีใส่เราเลย<ๆ>คือสารที่แผ่รังสีได้ไม่ใช่ของที่แบบเห็นได้ง่ายแต่คุณแบคเคอรเรลเนี่ยเขาไปเจอว่าสารยูเรเนียมแล้วกันนะฮะมันสามารถแผ่รังสีออกมาได้ เขาก็เอาฟิล์มอาอะไรไปดูก็พบเอ้มันแผ่รังสีจริงๆริงน ะ, <ฮ>ะแต่กลไกลเนี่ยว่ามันแผ่ได้อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้รคุณมารีคูรีเห็นปุ๊บก็เลยเฮ้ยน่าสนใจก็มาศึกษาก็เลยเอาเอาเอายูเรเนียมเนี่ยมาศึกษาแต่ไม่ใช่แค่ยูเรเนียมนะเอาสารอื่นอมาศึกษาด้วยหมดเลยและสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยคือการศึกษาว่าการแผ่รังสีของสารต่างๆเนี่ยนะครับมันแผ่ได้ไกลมากน้อยแค่ไหนด้วยคือการวัดตรงนี้ละเอียดมาก คุณปีก็มาช่วยมารีคูรีอย่างเต็มสูบเลยทำร่วมกันทำร่วมกันก็มาค้นพบข้อแท้จริงอันประหลาดอย่างหนึง่งคือมันมีแร่บางอย่างชื่อแร่พิ l e n ลนแร่ตัวนี้แผ่รังสีได้มากกว่ายูเรเนียมซะอีกอประหลาดมากทั้งที่มันมียูเรเนียมไม่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะอเออมันทำไมแผ่รังสีได้มากกว่ายูเรเนียมนะมารีคูรีก็ศึกษาพิชเบล e เนี่ยเอามันะ่ะมาแยก ธาตุบางอย่างที่ตอนนั้นไม่มีใครเจอออกมาอพอเจอก็เพราะว่ามันคือธาตุเรเดียมอย่างนี้คือค้นจนเจอว่าสิ่งที่ทําให้มันแผร่รังสีออกมาได้มากกว่ายูเรเนียมคือธาตุเรเดียมแล้วเธอยังเจอธาตุชื่อโพลโลเนียมด้วยนะครับโพลโลเนียมก็สุกจะตั้งชื่อตามประเทศบ้านเกิดของมาริคูรีนะโปลแลนด์นะครับแล้วก็เรเดียมเนี่ยข้ามช็อตมาปัจจุบันนิดนึงเรเดียมที่เป็นแร่กัมมันตรังสีสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้มากๆ อย่าง น, น้อยก็กับการฉายรังสีของผู้ที่เป็นมะเร็ง<อ>นะครับรังสีบําบัดอย่างเงี้ยนะอ่ะเธอก็ศึกษาจนแยกเรเดียมออกมาผลงานดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษากระมันรังสีอย่างละเอียดจนโอ้แล้วก็มาค้นพบเรเดียมเนี่ยแยกเรเดียมออกมาได้<อ>นี่นะทำให้มาริคูลีเนี่ยได้ทั้งรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเคมีเลยโอก็คือได้รับร่วมกับคุณปีแอร์ด้วยไหมคะเออได้รับร่วมกับคุณปีแอร์แค่ครั้งแรก<อ>แต่หลังจาก รับรางวัลโนเบลครั้งแรกไปแล้วเนี่ยนะฮะสาขาฟิสิกส์น ะ, ค, ะคุณปีแอร์เขาเสียชีวิตในปีหนึ่งเกจากอุบัติเหตุรถม้ามก็คือเสียชีวิตอย่างกะทันหันเลยกระทันหันแล้วคูรี่เนี่ยเอาจริงๆคือเป๋ไปทั้งชีวิตเลยนับตั้งแต่วันนั้นจนทั้งชีวิตเนี่ยคือเป๋ไปเลยนะแล้วก็ดำดิ่งกับความเศร้าโศกแต่จะถามว่าหลังจากนั้นมาเขาไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ ม, มันเหมือนกับ อันนี้ผมคิดนะจริงๆก็มีหลายคนวิเคราะห์เพราะว่าคูรี่เนี่ยหลังจากสามีเสียชีวิตไปเนี่ยเธอก็ทุ่มเทให้กับงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องไปทั้งชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณมารีคูรี่แบบกระชับรวบรัดหน่อยกละกันเพราะมีคนอื่นรออยู่แต่มีเกร็ดน่าสนใจข้อหนึ่งก็คือว่าลูกสาวของคุณมารีคูรี่เนี่ยมีสองคนเนาะคนหนึ่งชื่อไอรีนคูรี่ก็ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะเลยกลายเป็นครอบครัวรางวัลโนเบลไป แล้วก็คุณไอรินคูรีรับรางวัลโนเบลจากการสังเคราะห์ธาตุกรมะถันรังสีเทีย ม, มคือปกติธาตุกำมะถันรังสีที่คุณแบคเคอรเรลเจอหรือมารีคูรีสกัดออกมาได้ เ, เจอได้ในธรรมชาติแต่ลูกสาวเขาเนี่ยค้นพบการเหนี่ยวนำด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำให้ธาตุที่มันไม่เป็นกำมะถันรังสีกลายเป็นกำมะันรังสี ก็คือลูกสาวก็เหมือนกับได้มีความสนใจในแวดวงที่แบบใกล้เคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาวงเดียวกันเลยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมาเลยมีรูปคุณลูกสาวเขาทําแบบอยู่กับมาริคูลี่ด้วยคือชัดเจนเลยว่าแบบรับจากแม่ไปเต็มสูบเลยนะครับฟังว่าชีวิตเขาน่าสนใจตรงที่รางวัลโนเบลถึง2ครั้งครั้งที่2เนี่ยเกิดหลังจากที่เจอเรื่องยากในชีวิตนะใช่ก็คือโอ้โหคือตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับ ก็มันตลังสีกับกว่าจะสกัดเอาเรเดียมออกมาได้<ะ>คือครั้งที่สองได้เรื่องเคมีนะฮ ะ, ะคือโอโ้โหมันมันมันเป็นอะไรที่ต้องแกล่งมากอะ่ะแกล่งทั้งในแง่ของหนึ่งการเป็นผู้หญิงในยุคนั้นน่ะซึ่งการได้เรียนหนังสือแล้วจบมาได้ก็เก่งมากแล้วแล้วยึดในสิ่งที่คิดว่ามันเขาต้องทำแล้วเอาจนกระทั่งสร้างผลงานที่แบบคือมันไม่มีใครปฏิเสธความยิ่งใหญ่ได้เนี่ย Marie มาริคูรีแล้วก็ทุกวันนี้ก็เนี่ยหนังก็ยีชีวประวัติของเขาเอาไปทําหนังฝรั่งเศสเองก็มีการเอาหน้าของมาริคูรีแล้วก็คุณปีแอร์ด้วยนะฮะไปใส่ในธนบัตรด้วยเหรียญก็มีนะแต่เป็นในมาริคูรีคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆประเทศเลยไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสก็มาเอามาริคูรีเนี่ยไปทําเป็นสเต็มทำอะไรคือโอ้โหความสะดุดีต่อมาริคูรีเนี่ยยิ่งใหญ่ทั่วโลกมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นมาริคูรีเนี่ยก็เลยเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่เราต้อง เล่าถึงเป็นคนแรกครับค่ะงั้นแต่ว่าชีวิตของมา r รียคูรีเนี่ยก็จบลงด้วยความสำเร็จใช่ไหมคะใช่แต่ก็จริงๆเธอเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยสิ่งที่ฟังดูย้อนแย้งเหมือนกันนะคือมา r รียคูรีเนี่ยเสียชีวิตในวัยห6ด้วยโรคที่เรียกว่าไขาสันหลังนะครับมันไขกระดูกมันฝ่ออย่างนี้ก็แล้วกันนักประวัติศาสตร์ต่างๆเขาก็เชื่อว่ามันเป็นผลมาจากการศึกษาพวก ธาตุกัมมันตรังสีสารกัมมันตรังสีต่างๆโดยไม่มีเครื่องป้องกันเลยนะเลยเพราะในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ถึงพิษภัยของมันอกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้คุณมารีคุลี่เสียชีวิตก็คือธาตุกัมมันตรังสีที่เธอค้นพบใช่กลับช่วยชีวิตของคนมหาศารทุกวันนี้โอย้อนแย้งอหมก็รู้สึกว่าในในช่วงหนึ่งสิ่งที่เธอทําอ่ะมันก็ช่วยคนอื่นได้ถึงแม้ว่าโอเคมันมันอาจจะกลับมาทําร้ายเธอ ก็ตามเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันก็มีประโยชน์อะแล้วก็ทิ้งอะไรไวใ้ให้กับคนอื่นๆมากโโมายโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆแต่วันนี้เรายังมีอีกสองคนใช่ไหมอีกสองคนคะนะคนที่สองเนี่ยก็มานั่งคิดดูคือเออใครดีหนะ้ามานั่งคิดอีกทีว่าเอ้คุณมารีคู ร, ครีนี่เป็นเหมือนฟิสิกส์กับเคมีเนา ะ, ค, ะคนที่2เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวแทนฝั่งโลกชีวะก็แล้วกันแต่เนื่องจากเป็นรายการดใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์มันก็ต้องมีฟิสิกส์กับชีวะอยู่ด้วยอ ก็เลยเป็นคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณโรซาลิน f ฟรงคลินเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินค่ะจะ<า>ไม่เคยได้ยินก็ไม่แปลกเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยนะจริงๆมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทุกวันนี้ค่อนข้างถูกยกย่องสัุดีแล้วลหละหลังจากเธอเสียชีวิตไปแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดดราม่ามากพอสมควรซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่ะโรซาลินฟรงคลินเนี่ยถือว่ามีความสาคัญอย่างมากมากๆๆๆ ต่อการค้นพบโครงสร้างของ DNA ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ที่เราเห็นนันนะและ DNA นเนี่ยมันคือพิมเขียวในการสร้างสิ่งมีชีวิตใช่ไหมดังนั้นการทำความเข้าใจโครงสร้างของมันว่ามีหน้าตา ย, ยังไงมันสำคัญมากๆแล้วก็เขายังเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาโครงสร้างของไวรัสด้วยนะ<อ>ซึ่งมันยากมากเลยที่เราจะไป ศึกษาโครงสร้างของไวรัสแต่คนนี้คือเก่งแบบเก่งสุดๆแต่ไม่ได้รางวัลโนเบลอ้าวไม่ได้ทำไมอ่ะอ่ะก่อนจะไม่ได้อ่ะย้อนกลับมาก่อนคือโรซเลนแฟรงคลินเป็นเป็นชาวอังกฤษนะฮะซึ่งเขาเรียนจบที่แคมบริดจ์จบแคมบริดจ์ด้วยเกียรตินิยมอันดับสองหรืออะไรเงี้เลยนะเก่งอ่ะอแต่คือไม่ได้รับบูตปาร์ตีฮะเหตุผลเหตุผลคือเพราะเป็นผู้หญิงผู้จริงปะเนี่ยริ้ง ในยุคนั้น่ะมอแคมบิตไม่แจกวุไม่ไม่เอาวุฒปอตให้ให้ผู้หญิงที่เรียนจบถึงแม้จะแบบามระบบอะไรปกติจบแล้วปกติลกเก่งด้วยไม่แจกไม่ให้ครับนะใจเย็นใจเย็นแต่ไฟลุกไฟลุกใช่แต่หลังจากนั้นพอพอเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็แก้กฎแล้วก็ให้ปริญญากันย้อนหลังอะไรเงี้ยในที่สุดเธอก็ได้แต่โรซนฟังคลินเนี่ยเนื่องจากเป็นอัจฉริยะเนาะเขาก็ ค, คนเก่งๆเนี่ยไปศึกษาอะไรมันก็เก่งไปหมดมแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตจะไม่มีปัญหานะฮะจริงๆเขาก็ล้มลุกคลคลานในงาการทํางนานพ อ, อสมควรแต่ว่างานวิจัยที่สําคัญมากๆอันแรกเลยของเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวก DNA อะไรเลยเกี่ยวกับฐานหินโคล่านหินคือในยุคนั้นเนี่ยฐานหินเนี่ย เ, เธอไปศึกษาว่า ฐานหินมันมีโครงสร้างรูพุ่นเป็นแบบไหนอย่างไรจําแนกเป็นแบบต่างๆแบบไหนควรใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้แบบไหนอย่างไรเจ๋งไหมเจ๋งมากแต่มันดูมันต่อ ย, ยอดมาสู่ DNA ได้ลหรอคะอย่างแรกเลยคือมันเป็นการศึกษาสิ่งที่มันเล็กนะฮะซึ่งมันพอจะเชื่อมโยงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าพอจะมาเรื่อง DNA เนี่ยเธอย้ายสายมาเลย นะคือตอนแรกเนี่ยการศึกษาเรื่องฐานหินรูพรุนเนี่ยก็เป็นเป็นก้อนหนึ่งไปเลย<ฆ>แต่มันก็เป็นสิ่งเล็กๆอะ่ะ<ฆ>อาจจะมีเชื่อมโยงหน่อยๆอแล้วต่อมาเธอมาศึกษาเกี่ยวกับรังสีเอกรังสีหรือ X-ray เรนี่ยเราก็รู้กันดีว่าใช้ทำอะไรฮะไปกระดูกกระดูกหักไปหาหมอมีอะไร ก, ก็ไป x r ็ y ดูอยากรู้อะไรรังสีเฉายดูใช่ไหมแต่รังสียังมีประโยชน์ที่หลายคนอาจจะไม่่อยรู้ด้วยก็คือว่า ในยุคนั้นจริงๆรองจนถึงวันนี้เลยนะแต่ยุคนั้นะ่ะเป็นช่วงที่บูมมากแบบไฮโซคนสนใจกันก็คือเขาชอบเอาลัง 4x เนี่ยส่องไปใส่สารแล้วลัง 4x เนี่ยมันจะเกิดการเลี้ยวเบน Diffraction คือมันเป็นคลื่นมันก็จะมีการเลี้ยวเบนบางอย่างแล้วมันก็จะไปปรากฏบนฉากด้วยแพทเทิร์นอย่างหนึง่งทีนี้พอเอาฉากไปรับแล้วครับงฟงเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตกลับไปได้ว่าไอ้ตัวที่บังเนี่ยสารตัวนี้มีโครงสร้างยังไง มันสะท้อนกลับไปใช่คือคือคือคำนวณแทร็กกลับไปได้ว่าไ oh. อ, อตัวที่ไปบังแบบนี้มันควรจะมีโครงสร้างเป็นแบบ hmm. ไหนมันถึงจะให้ภาพบนฉากเป็นแบบนี้เจ๋งไหมทีนี้มันเกิดดราม่าตรงที่ว่าคุณโรสลินแฟรงคลินเนี่ยก็มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอ DNA อละนะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีการคนเนี่ยพยายามจะไล่ล่าหาโครงสร้าง DNA กันทั้งโลก oh. เพราะว่ามันเทคโนโลยีมันเริ่มจะพร้อมแล้ว hmm. นะ ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยโรซาลินแฟรงคลินก็ทําเต็มที่กับลูกศิษย์ทีนี้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยชื่อคุณเบรมอนกอสซิงวันหนึ่งคุณเบรยอนกอสซิงซึ่งเป็นลูกศิษย์นะฮะเขาก็ใช้รังสีเเนี่ยเลี้ยวเบนใส่ DNA นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นภาพอบบภาพนึงที่ชื่อว่าโฟโต่ห้าสเอ็ดเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้แหะคือดูคือมนุษย์คนทั่วไปดูมไม่รู้หรอกมันตีความยังไงแต่ถ้าใครที่คลุกคลีอยู่ในวงการเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อ มันเกลียวคู่นี่ว่ะคือสิ่งที่จะให้แพทเทิร์นแบบนี้น่าจะเป็น oh. น, ป น, น่าจะเป็นเกลียวอะไรเงี้นะเออในตอนนั้นเนี่ยคุณโรซสลินแฟลงคลินก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงานเหมือนจะแบบรอๆให้มันชัดเจนก่อนอะไรแบบเนี้ยได้กลิ่นดราม่ามาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่คนเดียวแปลว่ามันมีคนอื่นที่ก็ทําด้วยอ่าใช่คื อ, อในฝั่งอเมริกาก็จะมีคุณพวกไรนัสพอลลิงจริงๆคนนี้ก็เก่งนะรางวัโลโนเบล2ครั้งใช่แล้วก็ฝั่งอังกฤษเองก็จะมีคุณเจมส์ดีวัตสันกับฟร ใช่ก็ทําไล่ล่ากันมามทีนี้พ อ, อศึกษากันมาได้เป็นเกลียวคู่แล้วฟรานซิสคริกอะไรก็ศึกษากันมานะโรซเลินแฟรงคลินก็หันเหความการศึกษานี้ไปศึกษาโครงสร้างไวรัสแปล ว, ว่าเรื่องเมื่อกี้ที่เขาศึกษา DNA <ๆ>เขาพอสไว้เหรอคะหยุดไว้อ๋อไม่ไม่คือก็ศึกษาจนค้นพบโครงสร้างเลยแล้วก็วัตสันกับฟรานซิสคริกเนี่ยก็มาศึกษาที่หลังแต่ก็ค้นพบสร้างแบบจําลองที่ละเอียดนะฮะก็เป็นแบบจําลองเกลียวคู่นะแต่ภายหลังมาเนี่ย เดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้คือโรสลินแฟรงคลินเนี่ยไม่ได้ศึกษาดีเต่อเขาก็มาศึกษาโครงสร้างของไวรัสที่ทําให้เกิดโรคใบด่างในใบยาสูบคือไวรัสเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันเล็กมากครับน้องฟังในยุคที่เขาเจอไวรัสเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่เขาเรียกว่าไวรัส oh. ซึ่งไวรัสนี่มันแปลว่าพิษนะแต่คุณโรซสลินแฟรงคลินเนี่ยศึกษา โครงสร้างของไวรัสใบยาสูไวรัสโปลิโออะไรพวกเนี้ยจนเกือบๆจะได้โครงสร้างมาอยู่ละโครงสร้างกําลังจะออกในวันสองวันอย่างเงี้ยเกิดอะไรคะเสียชีวิตในวัยแค่37ปีด้วยก่อนก่อนที่ผลต่างๆมันจะออกมาจะออกมาเป็นโครงสร้างใช่ด้วยโรคมะเร็งหลังไข่ซึ่งแบบโอ้โหแบบมันเฉียดมากเกือบจะได้แล้วทีนี้พอเสียปุ๊บเนี่ยกลับไปที่เรื่องที่เรื่อง DNA อ็นะฮะแม้เธอจะเป็นคนบุกเบิกการศึกษาได้ภาพถ่าย เอ่อโฟโต้51นะอของของ DNA ออกมาแมว้ว่าลูกศิษย์จะถ่ายอะไรแต่เธอก็เป็นคนคุมแกลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้เริ่มก็แล้วกันเธอก็ควรจะได้รางวัลโนเบลจากการพ้นพบโครงสร้าง DNA แต่เนื่องจากเธอเสียชีวิตไปก่อนอและรางวัลโนเบลเนี่ยเขาไม่มอบให้กับผู้เสียชีวิตแล้วคุณฟรานซิสคริกกับคุณวัตสันก็เลยได้รางวัลไปอ๋อค่ะใช่ส่วนโครงสร้างไวรัสเนี่ยถามว่าสาคัญหม มันสุดยอดแห่งความสำคัญคือถ้าเราไม่รู้โครงสร้างไวรัสเนี่ยจะออกแบบอะไรต่อมามันลำบากไปหมดมันคล้ำอยู่ในความมืดนะครับผู้ร่วมงานเช่นคุณแอร์รนคลักเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร่วมงานโรเซเลียนแฟรงคลินเนี่ยก็ศึกษาต่อปก็ได้รางวัลโนเบลจากการค้นพบโครงสร้างไวรัสใบด่างในใบยาสู ถ้ามองในมุมนึงว่ารางวัลโนเบลการันตีความสําเร็จมันก็อาจจะเศร้าแต่ถ้าพอฟังที่ป๋องแปงเล่าวันนี้ฟังรู้สึกว่าก็อาจจะไม่เศร้านะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนตั้งต้นมันมาและ<ช>ไม่จําเป็นต้องมีรางวัลโนเบลมาการันตีที่จะบอกความยิ่งใหญ่ของคนคนนี้ก็ได้นะอืมก็จริงคือรางวัลโนเบลเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกวิทยาศาสตร์ก็ตามนะเพราะว่ามันคลาสสิกแต่ว่า ผมมองว่ารางวัลโนเบลเนี่ยทุกวันนี้เขาพูดกันว่าเก่งอย่างเดียวอ่ะไม่พอ<น>ต้องโชคดีด้วยแล้วที่สำคัญต้องอายุยืนด้วยมันมันเป็นมาหลายครั้งมากรางวัลโนเบลเนี่ยผมคือผมชอบวิทยาศาสต์นักวิทยาศาสตร์เนาะก็ดูโอ้โหหลายคนมาได้ตอนอายุแบบ8ป9บเาบทเดี๋ยวนี้คือกว่าที่สดีมันจะได้รับผลยืนยันเนี่ย ต้องอยู่รอจนถึง<ด>วันนั้น น, น<อ>นะครัจะแบบ อ, อายุน้อยแบบไอสไตล์เนี่ยผ ม, ไ ม, ไ, ม, ไ, มไม่ค่อยมีแล้วฮะแต่การนั้นก็ตามหลังจากเธอเสียชีวิตไปก็มีรางวัลห้อยตามหลั ง, งเกียรติยศต่างๆเพียบ อ, <ะ>อังกฤษเองก็ออกเหรียญที่ระลึกโดยรัฐบาลอังกฤษนะฮะเป็นเหรียญโรซเลนแฟรงคลินมาด้วยออดังนั้นก็ทุกวันนี้เราก็รู้ความสําคัญในการค้นพบของเธอเป็นอย่างดีแล้วก็หุ่นยนต์สํารวจอังคารก็มีหุ่นยนต์ รถหุ่นยนต์โรเวอร์นะฮะโรซลินแฟลนคลินคือตั้งเป็นเกียรติแก่เธอด้วย ค, ครัคือตอนนี้เธอแบบมีชื่อเสียงมากอก็คือไม่มีข้อกังขาถึงแม้จะโอเคอาจจะเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของโนเบลก็ตามนะใช่ครับคนที่สมฮะสตรีท่านนี้เลยถามว่าทำไมสตรีท่านนี้ต้องเป็นคนที่3มเธอคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะ อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยก็แก่แล้วล่ะมีมีมีอายุอนามแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังแข็งแรงนะผมเห็นก็ออกสื่อออกอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วก็เคยมาเมืองไทยด้วยอืมเคยมาเมืองไทยแต่ตอนนั้นผมตั้งใจทำงานครับเซ็งมากเนี่ยถ้ามาอีกคราวเนี่ยผมจะผมจะต้องไปเจอให้ได้มหาสตรีท่านนี้ชื่อท่านผู้หญิงโจเซลินเบลใช่โจเซลินเบลเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะครับดาราศาสตร์ที่เป็นผู้บุกเบิกการศึกษา คลื่นวิทยุที่มาจากนอกโลกอแปลว่าที่เราได้ยินข่าวช่วงนี้ที่แบบว่าเอยมีสัญญาณจากนอกโลกก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวกันไหมค ะ, ะเป็นเป็นคลื่นวิทยุใช่ก็คือเป็นคลื่นที่มันมีได้จากหลายแหล่งเนาะแต่ในยุค ข, ของคุณโจเซลินเบลเนี่ย ม, มันเก่ามากแล้วในยุคนั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ค่ะนะครับเธอกอ็ศึกษาจนไปค้นพบบางอย่างนะ ซึ่งเป็นสัญญาณวิทยุที่มีความถี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นจังหวะชัดเจนมากคือคลื่นวิทยุเนี่ยที่เธอเจอเนี่ยมันมีความถี่ที่ชัดเจนมากคือมันจะมีจังหวะในช่วง 1.3 ึ่งสามเจดสวินาทีแบบเนี้ตลอดเลยเป็นเป็นจังหวะที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมาตลอดจังหวะมันต่อเนื่องกันเหรอต่อเนื่องและเป็นจังหวะที่ชัดเจนเป๊ะๆอย่างเงี้ยหนึ่งจุดามสเจ็ดสาวิอย่างงี้สม่ำเสมอสม่ำเสมอตลอดเฮ้ยมันคืออะไรอะอช่วงแรกๆเขาก็เรียกมันว่า g ิ e เ n ิ้ลกรีนแมหนึ่งคือเรียกเล่นๆว่าแบบเอ้ยมันเป็นสัญญาณจากต่างดาวหรือเปล่าคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรที่ถูกสร้างขึ้นจากภูมิปัญญามันไม่ได้เป็นสัญญาณรันดอมอะไม่ได้บังเอิญว่าอยู่ๆมันจะมาเป๊ะๆขนาดนี้ได้ยังไงใช่ในตอนนั้นเนี่ยเธอทํางานอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีชื่อว่าคุณแอนโทนีเฮลวิชนะครับแล้วการค้นพบตัวนี้เนี่ยนะหลังจากวิเคราะห์สัญญาณอย่างละเอียดด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยสุดท้ายเนี่ย สิ่งที่เธอเจอทุกวันนี้เราเรียกมันว่าเพลาซ่าพลาซ่าเนี่ยก็ชื่อมันก็ตรงไปตรงมานนะเพลาสสัญญาณใช่ที่มันมีความจำเพาะเจาะจงซึ่งเราก็เจอเพลาซ่าเยอะแยะแล้วทุกวันนี้ซึ่งเพลาซ่าที่คุณเจอซลีนเบลเจอเนี่ยมันถูกปล่อยมาจากวัตถุประหลาดที่ชื่อว่าดาวนิวตรอนเคยได้ยินไหมไม่คุ้นค่ะไม่คุนะ้นเนาะคือปกติวัตถุที่มันควบนีที่มันแน่นมากๆความไหนะแน่นสูงมากๆเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับเหล็กที่แบบโอ้โหหนัก ความหนาแน่นสูงมากเลยอทองคําก้อนก้อนเล็กๆเนี่ยโอ้โหหนักเลยแต่ดาวนิวตรอนเนี่ยมันเป็นของที่มีความหนาแน่นสูงในระดับที่แบบหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยมันหนักเหมือนเรือรบท<อ>ัดลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเหมือนดีเจเนเรตเมทเตอร์คือเป็นสสารที่แบบพิลึกเกิดเกลือไปแล้วอะครับคือนั่นแหละความหนาแน่นมันสูงมากมคือถ้าสูงกว่าดาวนิวตรอนเนี่ยมันจะเป็นหลุมดําไปละ มันเป็นวัตถุตะกูลที่เรียกได้ว่าเป็น compact object นะค่ะซึ่งดาวนิวตรอนเนี่ยมันหมุนเร็วมากพอมันหมุนเร็วอ่ะมันหมุนเรื่อยๆจังหวะการหมุนที่มีความชัดเจนช่วงที่มันหันเอาคลื่นวิทยุศาสตร์มายังโลกเนี่ยเราก็ตรวจจับคลื่นมันได้ทีนึงพราหมุนแล้วเจออีกทีนึงมันก็เกิดเพิ่มขึ้นมาทีนึงเลยเป็นที่มาของคลื่นที่เธอเจอใช่ผ่าซ่าค่ะแล้วก็ตัวมองถึงคล้ายๆประภาคารนะฮะมันก็จะหมุนๆเนาะหมุนแสงเข้ามาแล้วก็เจอฟึม ขึ้นมาแบบนี้คุณโจซิลินเดลก็ค้นพบเพาซ่าเจ๋งมากมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าในวัตถุอวกาศที่มันจะปล่อยคลื่นวิทยุเนี่ยในยุคนั้นเราไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วไปเจอพาซ่าที่เป็นภายหลังมารู้ว่าเป็นดาวนิวตรอนซึ่งมันเป็นแคตตากรีใหม่ของของโลกดาราศาสตร์คือดาวเรือรู้จักดาวเคระรู้จักดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตอะไรรู้จักหมดละแต่นี้เจอของใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนคือพาซ่าหรือดาวนิวตรอนเนี่ยมันสุดยอดมาก มันเป็นอะไรที่นักฟิสิกส์เหมือนมีสนามเด็กเล่นใหญ่ๆ ใ, ให้ไปศึกษาอีกเพียบเลย<อ>นะแม้ว่าทุกวันนี้เราจะศึกษาดาวนิวตันเจอแล้วก็มีฟิล์อื่นๆที่เราเชื่อว่าอาจจะมีเช่นควาร์กสตาร์อะไรพวกนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอแบบชัดๆนะครับ<อ>แต่เป็นทฤษฎีอยู่พวกนี้แต่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดประกายที่แบบพวกการศึกษา Compact o b อ e c t แต่รางวัลโนเบลให้อาจารย์ที่รึกษาคนเดียว<อ>คือคุณแอนโทนีเฮลวิ อ ย, อย่าเพิ่งอารมณ์ขึ้นนะมีมีคำถาม ว, า <c oughs> ว่าเวลาเขาจะให้รางวัลเนี่ยเขาเช็คไหมว่าเราทําด้วยกันเราทําร่วมกันหรือว่าไม่เขาจริงๆเช็คนะเขาจริงเขาค่อนข้า ง, งเช็กละเอียดอย่างเช่นคุณมารีกูรีตอนได้เนี่ยสามีเขาก็ได้ด้วยเพราะว่าทําด้วยกันอย่างชัดอะมีชื่อในเพเปอร์มีอะไรพวกนี้ ห, หรือว่าคุณคุณแบล็กพ่อลูกตระกูลแบล็กที่ผมบอกว่าคุณแบล็กพู้ลูกได้รับรางวัลโดยไปตอนอายุ25ปีอย่างนี้ด้วยกันอย่างชัดเจน อันนี้ก็ทําด้วยกันน่ะก็น่าจะรู้นะอะไรอย่างนี้<ก>ใช่ไหมก็ต้องรู้อะ่ะคณะกรรมการรางวัลโนเบลเนี่ยก็ต้องบอกว่าการจะให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยมันเป็นความลับมากประชุมพวกนี้มันไม่แบบมันไม่ได้ออกมาสู่สาธารณะเนาะแต่พอประกาศว่าคุณแอนโทนีฮิวิชได้เนี่ยจนถึงวันเนี้ยังดราม่าเลยนะเป็นคอนโทรเป็นเรื่องที่โเ<ต>ถียงโตเถียงกันแบบยกใหญ่เลยว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทําไมทำแบบนี้อืใช่แล้วก็คุณโจเซลินเบลเนี่ย เธอก็ถือว่าทุกวันเนี้เขาก็ถือกันนะว่าเป็นเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลแค่ไม่ได้รับรางวัลโนเบลเออเออก็คือสมควรที่จะได้รางวัลแล้วจริงๆเป็นเจ้าของรางวัล น, นั้นแหละคือเรียกว่าได้แหละเพราะงานที่เธอทํามหาศารเนี่ยคือโอเคแบ่งงานกันทําก็จริงแต่คนที่ทําเยอะคือโจเซลินเบลนะใจเย็นใจเย <Okay. S 1> แต่หลังเรื่องที่ทําให้เราจะสบายใจได้อย่างนึ ง, นงก็คือท่านผู้หญิงโจเซลินเบลตอนเนี้ยก็ เรียกว่าได้รับรางวัลอื่นๆเยอะมากๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆรางวัลสําคัญ ๆ, ๆเนี่ยที่ไม่ใช่รางวัลโนเบลนะให้เพียบเลยดังนั้นเนี่ยคนนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเสียดายแล้วละ่ะคือท่านก็ได้รับเกียรติยศต่างๆรวมทั้งคนที่โต้เถียงซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นว่าท่านต้องได้รับรางวัลโนเบลนะอเพราะทํามาซะเยอะเลย อ, ะอ่ะแต่รางวัลโนเบลให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ชายแต่ถามว่าให้ทําไมอันเนี้ย เ อ, อจริงเราไม่รู้หรอกอแต่แน่นอนถ้าทำตามการวิเคราะห์ของหลายๆคนนะไม่ใช่ผมนะเขาก็มองว่าเป็นยุคที่ผู้ชายเขาขาให้ผู้ชาย อ, ะ อ, อ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่อย่างที่บอกครับคุณโจสซเลนเบลสุดท้ายก็ได้รางวัลอื่นๆมากมายมหาศาลแล้วตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อนะพอฟังเรื่องแบบนี้ฟังรู้สึกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแผลในชีวิตของ เหล่านักวิทยาศาสตร์สตรีเหล่านี้หรือเปล่าที่เจอเรื่องที่ไม่เท่าเทียมแต่ฟังฟังว่ามองอีกทางหนึ่งนะฟังว่ามันเป็นแผลของบรรดาคณะกรรมการและรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่างหากที่ที่มองข้ามเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศไปอะ่ะมันไม่ใช่แค่แผลในชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ว่ามาตรฐานเหล่านั้นต่างหากที่มีบาดแผลเหล่านี้เนาะ เอ อ, อเ อ, อ้อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังพิพากษาวิจารณ์กันอยู่เลยเฮ้ยทำไมเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอฟังมาถึงตอนนี้ฟังอยากรู้ว่าในบรรดา3คนแปลว่ามีคุณโจเซลินเบลคนเดียวเนาะที่มีชีวิตอยู่ถึงยุควันนี้ที่คนแบบพูดคุยกันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างเงี้ยชีวิตของเธอตอนนี้เป็นยังไงทําอะไรอยู่คะอ๋อคุณโจเซลินเบลตอนนี้ก็เหมือนจะมีงานหลายอย่างเนาะแต่หลักๆ ส่วนหนึ่งเธอก็จะสนับสนุนด้านการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้ต่างๆรวมทัง้งแน่นอนเธอก็รณรงค์เรื่องเรื่องสตรีด้วยพอได้ฟังเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สตรีทั้ง3คนนะผู้หญิง3คนนี้ที่เราได้ได้ไดฟังมาจากพี่ปองแปงเนี่ยรู้สึกว่ามารีคูรีโรสลินแฟรงคลินโจสเลนเบลทั้ง3คนฟังรู้สึกอย่างแว บ, บแรกที่พอฟังแล้วนะรู้สึก เสียใจว่าทําไมเราไม่รู้จักวะเออทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆอ่ะแบบถ้าเราพูดชื่อไอสไตน์กาลิเลโอไอแซกนิวตันหรือแม้แต่คนในยุคนักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ที่เราทำเงินไปหลายๆตอนเออเรารู้จักเขาอ่ะมันมันมันมีภาพจําแล้วก็มันมีการพูดถึงเนาะแต่คนเหล่านี้เราไม่รู้จักเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ดีตอนหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นว่าออไอคอนิกหรือว่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อะ่ะหรือว่าศาสตร์แบบนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของ เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นใน อ, อ, อย่างนี้เนาะก็ใครฟังตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงลองแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะคะหรือว่าอยากฟังซีรีส์นักวิทยาศาสตร์คนไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้หลายๆคนก็เรียกร้องกันอยู่นะคะก็ฝากติดตามรายการใดๆในโลกล้นฟิสิกส์ของเรากันด้วยนะคะฝากกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast นะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ podcast player เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ